ในคืว น, นวันที่๕ธันวาคมพศ๒๕๑๙ณวัดปามันตราจังหจัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานัมพันโมรเราเป็นนักปฏิบัตินอกจากเป็นพระแล้วยังเป็นนักปฏิบัติซึ่งเป็นเพศและหน้าที่ที่เด่นในสังคมแห่งพระพุทธศาสนา ถ้าจะเทียบอย่างทหารแล้วก็คือทหารผู้ออกแนวรบแล้วทำหน้าที่ต่อการรบทุกๆประาเภทไม่ว่าขาดศึกจะมาทางด้านใดเป็นหน้าที่ของทหารผู้ตีก้าวเข้าสู่สงครามแล้วจะต้องทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถขาดดิ้นในจิตใจหากว่าชีวิตเหลือมาก็มีชัยชนะถ้าไม่เหลือก็มอบไว้กับความกล้าหาญ คือตายด้วยความกระหารชานชัยไม่ท่อถอยต่อปั จ, จมิตรที่จะมาจากจตุทิตมีเรื่องของทหารที่ทำหน้าที่ในแนวรบต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นผู้กี่ขาดวาดกลัวแล้วอย่างไรก็ต้องจมเป็นแน่นอนมีนักปฏิบัติย่อมเป็นเช่นเดียวกับทหารที่ออกแนวรบแล้ว เวลานี้ต่างท่านต่างสลักมาจากบ้านจากเรือนสมรสละทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราสละทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของมีคุณค่ามากทั้งนั้นพ่อแม่ก็มีคุณค่ามากญากติพงทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติที่มีมากมีน้อยทั้งทั้งที่ยังไม่มีก็เป็นสิ่งที่ต้องมีขึ้นโดยการสอดแสวงหามาเป็นสมบัติของตนและเป็นของมีค่าเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปแต่เราสลัก มาโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือหากว่าเรายังมีเป็นอยู่ในคารวาสโลกเขามีอย่างไรเราจะต้องมีอย่างนั้นลูกก็ต้องมีเพราะจะต้องมีเมียนี่เมียเราก็สละเพื่อให้โลกเขาเสียทานเสียโดยสิ้นเชิงลูกก็เป็นว่าทานไปด้วยสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเคยห่วงแหนและโลกเคยห่วงแหนมาไปจำโลกนั้น เราสละเสียสิ้นไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจจึงได้มาถวายตัวเป็นสากยาบุตรเรียกว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ผู้กระหารชาญชัยในทรหน้าที่แห่งการลบกิเลสตัณหาอสาวะโดยพระองค์เองไม่มีใครไปช่วยหรือพระองค์แม่แต่นิดหนึ่งนอกจากเขาจะให้ทานไปตามธรรมราี่เดียกว่าเป็นสเสบียงกลาง พออาศัยยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อสงครามภายในได้แก่ระหว่างกิเลสกับจิตใจหรือกิเลสกับธรรมะพระพุทธเจ้าสามารถรบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความกล้าหาญชารใชยเอาเป็นเอาตายจริงๆผลที่ปรากฏก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นแหละคือผลอันยิ่งยวดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้ถ้าเรียกว่าสมบัติก็คือโรกุตระสมบัติ นิพพานสมบัตินี้เกิดขึ้นมาจากความกระหายของกระพุทธจจ้าเราผู้เป็นสิทธิ์พระทาโคตปรากฏว่าเป็นผู้สำคัญคนหนึ่งได้มาบวชในพระพุทธาศาสนาแล้วยังไม่แล้วยังได้ออกแนวรบคือการปฏิบัติมีเป็นหลักสำคัญการรบของเรานั้นไม่ได้หมายถึงรบปัจจามิตรภายนอกใดๆแต่เป็นเรื่องที่จะรบกับเรื่องของตัวเองที่เกี่ยวกับจริง ภายนอกที่ผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลาคือทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาเกี่ยวข้องกับทางตาของจักรุบดิ้นกายและร่วงไหลเขาเ้าไปสู่ใจนี่ท่านเรียกว่าขาสึกหากท่านผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรมีความกล้าหาญชันชัยต่อการพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เสียเลเสียเหลี่ยมไม่เสียงที แห่งแง่งอนของสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในแสดงออกผู้นั่นแลจะเป็นผู้มีชัยชนะเราผู้เป็นนักปฏิบัติที่ได้ก้าวออกแล้วสู่สงครามจงเ ป, มเป็นผู้มีความก้าหารอย่ามีความประมาทในเอียบทดทั้งสี่เดินจงเป็นผู้มีความระมัดระวังเดินนั่งนอนเย็นแต่หลับเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่สุดที่ใสด้วยกันทั้งโลก นอกจากนั้นให้เป็นผู้มีสติระมัดระวังตั้งตัวไว้เสมอและมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเ ว, เวลานี้เราเป็นพระเราอยู่ในถ้ำกลางแห่งข่าศึกไม่ทราบจะมาด้านไหนมัง่งทางรูปก็จะผ่านเข้ามาเสียงกลิ่นนดเครื่องสัมผัสสัผัสทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านเข้ามาสติปัญญาซึ่งเป็นศาสตราดาวุธสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กับเรานั้นเราได้ถือแนบสนิท ก, กับตัวหรือไม่โปรดได้นามาพิจารณา ตลอดเวลาอย่าได้ลดละนี่คือหน้าที่ของพระผู้ข้าเข้าสู่สงครามภายในคือกิเลสกับตัวของเราเองหากเราเป็นผู้มีความท้อถอยแล้วจะเอาตัวไปไม่หลอดอยู่ที่ไหนก็มีแต่ยอมแพ้อยู่ตลอดเวลาคนที่แพ้ไม่ว่าแพ้อะไรย่อมเป็นคนหมดความสง่าราศีถ้าคนชนะแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความอุ่อาจกระหานนี่เราอยู่ด้วยความแพ้นั่งเดนเดินนอน ในเอียบดลหรือความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่โดยความแพ้แล้วใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่ลูกศิษย์พระรักาพวกผู้ปรากฏเป็นความอ่านหารให้โลกไถือเป็นคติตัวอย่างแต่เราซึ่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากลับมาเป็นผู้คนทอแท้อท่อนแออย่างนี้ไม่สมควรเลยโปรดได้นำมาคิดให้สนิทติดจิต ต, ติดใจของตนเรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องความเพียร น, นี้เป็นเครื่องมือสําหรับลดความอ่านหารหรือความอดทนความอุตสาห์พยายามนี้เป็นกําลัง เพืสนับสนุนของเราผู้เป็นทหารของพระพุทธเจ้าย่าได้ลดละเรื่องความเป็นอยู่ของเราเป็นอยู่กับญาติกับโยมไปที่ไหนไม่อดตายเราไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายหากว่าเราเป็นผู้บำเพ็ญตนเพื่อชาติศาสนาพระมหาขษัตย์อรรธรรมนูญอยู่แล้วจะไม่มีใครทอดทิ้งเราโปรดได้มอบชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องช้ของพระไว้กับ อนุ瓦จะโยมแต่หน้าที่ของพระจริงๆคือการทํำของพระความเพียรระมัดระวังตัวผิดตัวให้ดีขึ้นทุกวันด้วยความเพียรโดยทางสติโดยทางปัญญานี่ชื่อว่าเป็นผู้ทําหน้าที่อันถูกต้องและจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะเป็นลําดับลําดับไต่ไปการรบค่าสืบภายในนี้เป็นสิ่งสําคัญเราไปต้องไม่ต้องไปมองดูที่อื่นให้ดูความเคลื่อนไหวของจิตที่เคลื่อนไหวออกแต่ละครัง้งละครั้งนี้ หาเรื่องอะไรบ้างมาก่อความลำคาญหรือมาก่อความเดือดร้อนให้แกเราโดยมากกิจจะต้องผิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาไม่ได้ผิดธรรมะเรื่องธรรมะนั่นเป็นเรื่องที่เราจะตั้งใจผิดขึ้นมาด้วยความระมัดระวังตั้งใจจริงๆแล้วปรากฏเป็นธรรมะขึ้นมาเช่นสติคอยระมัดระวังสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี่แสดงว่าตั้งขึ้นมาปัญญาตรวจตรองดูสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ดีหรือชั่วจะควรปล่อยวางหรือละถอดโดยประการใดบ้างต้องนำมาพิจารณาแล้วแก้ไขไปตาม อำนาจแห่งความเพียรที่ไม่ลดละของตนนั่นแลเราจะเป็นผู้เห็นผลเป็นลำดับลำดับไปสําหรับเราที่เป็นนักบวชและเป็นผู้ก้าเข้าสู่สงครามอยู่ทุกระยะการนี้แล้วคําว่ามรรคผลนิพพานเราไม่ต้องไปคาดขอให้ดําเนินหลักแห่งเหตุอันเป็นไปเพื่อผลนิพพานให้ถูกต้องนี้ให้นี้ให้ถูกต้องเท่านั้นเรื่องผลจะหนีไปไหนไม่พ้นเหตุกับผลต้องเป็นของคู่เคียงกันอยู่เสมอไม่ว่าแต่การไหนการอะไรมา เราไม่ต้องแปกขาดไปหมายให้ระมัดระวังตั้งตัวให้ดีชีวิตจิตใจเราไม่ต้องกลัวตายการนั่งภาวนานั่งให้เป็นการภาวนาจริงๆอย่านั่งเพียงสับแต่ว่านั่งอย่าเดินจงกรมสับแต่ว่าเดินไปไหนมาไหนให้มีสติสตังระมัดระวังตัวเสมอเราจะเห็นเรื่องของเราทุกระยะระยะที่แสดงออกจากใจและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสกับใจพอจะรับทราบกันว่าเป็นเรื่องอะไร ควรจะแก้ไ ข, ขกันโดยวิธีใดบ้างถ้าผู้มีสติเป็นอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้มีชัยชนะในอียบททั้ง4ไม่ขาดวักขาดตอนและจะจับใช้กรรมชัยชนะอย่างเอกไว้ได้ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเราจะอยู่ด้วยวิธีแท้คืออยู่ด้วยความเผลอเลย อ, อยู่ด้วยความนอนใจอยู่ด้วยความอ่อนแออยู่ด้วยความท้อถอยกําลังอยู่ด้วยความขี้เกียจมากง่ายอยู่ด้วยความเห็นแก่ป่าแก่ท้อง เหล่านี้จะเป็นทางที่แพ้ทั้งนั้นมีแต่แพ้ไปเป็นลำหนับลำหนับไม่เป็นประโยชน์อะไรโปรดพากันสนใจในตัวเองให้มีความเข้มแข็งนักบวชนี่แหละนอกจากจะเป็นหลักมั่นค ง, งของตัวเองแล้วนอกจากจะเป็นความร่มเย็นแก่ตนเองแล้วยังจะเป็นหลักมั่นคงของโลกยังจะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเป็นจำนวนไม่น้อยและไม่มีขอบเสียด้วย เพราะฉะนั้นศาสนธรรมก็ดีผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีโลกยิ่งต้องกราบไหวบูชาเคารพนับถือเสมอจัตถุปัจจัยทายทานมีมากมีน้อยจะให้มาเท่าไรเขาไม่มีความเสียดายให้มาด้วยความเสียสละให้มาด้วยการบูชาธรรมให้มาด้วยความเชื่อความห่มใหลให้มาด้วยความเคารพไม่มีความหวงอยเสียดายในวัตถุสินของที่เขาให้ทานมาเราไปอยู่ที่ไหนถ้าเป็นนักปฏิบัติโดยธรรมะจริงๆแล้ว จะไม่อดอยากแม้จะเกิดความอดอยากบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเราก็ให้ถือเสียว่าเรื่องคติธรรมดาย่อมเป็นเช่นนี้อันนี้จังเป็นของไม่สม่ําเสมอตลอดมาแต่การไหนการไหนไหนจะต้องมีความสม่ำเสมอใ น, นอาหารที่อยู่ปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องอาศัยย่อมเป็นไปไหม่น่าต้องมีการขึ้นขึ้นลง ล, งลงเป็นธรรมดาแต่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องความเพียรของเรานั้นอย่าให้ขาดวักขาดตอนอย่าให้น้อยลงได้ ให้มีความคมค ม, มักคมามเข้มแข็งบึกบึนตัวเองนี่แหละชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบกพร่องแต่เราไม่บกพร่องจุดที่เราประสงค์ไม่บกพร่องนี่เป็นอันว่าไม่เสียทีไม่แพ้ดูที่ไหนก็มีชัยชนะไม้วยไปการพิจารณาธรรมะอย่ากว่านู่นควานี้เราจะตั้งหลักอันในลงไปจะกํากกหนดลมหายใจเข้าออก ก็ให้ทำความเข้าใจกับลมของตนจริงๆลมจะเข้าออกยาวหรือสั้นขอให้ทำการรับทราบอยู่เสมอในระยะลมที่ออกหรือเข้านี่ชื่อว่าเป็นภูมิสติลมละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ให้ทราบตามความละเอียดของลมอย่าถอยความรู้ออกมาและส่งไปสู่ที่อื่นจะไม่ทราบระยะของลมสั้นยาวและจะไม่ทราบความบักขาดบักปอนแห่งความเปลี่ยนของตนในเวลานั้น เราเผลอไปขณะใ ด, ดชื่อว่าความเพียรทั้งเราได้ขาดไปนี่แหละความเพียรหมายความอย่างนี้ต่างหากเดินจงกรมเดินทั้งบันก็าตามถ้าไม่มีสติก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับเขาเดินกันทั่วๆัโลกนั่งก็เช่นเดียวกันทุกๆอิยาบทถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความจงใจอยู่กับความรู้สึกตัวว่าทํางานอะไรอยู่เวลานี้ไม่จัดว่าเป็นความเพียรโปรดทําความเข้าใจไว้อย่างนี้ นการกําหนดตมที่ได้อธิบายมานี้อธิบายเพียงย่อๆจนกระทั่งลมละเอียดสุดหรือจะปรากฏในความรู้สึกว่าลมไม่มีเลยก็ไม่ต้องกลัวตายความรู้สึกยังมีอยู่ไม่ตายเอาลมหายไปนั่นแหละจิตยิ่งเป็นความละเอียดมากบางครั้งเป็นเช่นนั้นจริงๆเวลาที่เรากําหนดลมให้ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงกับปรากฏว่าลมไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ล้วน ถ้าเป็นเช่นนั้นจิตก็อยู่ปร่ง ม, มีความสงบแน่วแน่ความสงบนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทรงคุณภาพอันแปลกประหลาดและประจําให้เราเห็นในเวลาที่จิตมีความสงบหรือตั้งตัวได้โดยลําพังตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นใดมาเครือบแฝงมีความสุขขึ้นโดยความสงบของใจเองนี่แหละชื่อว่าเป็นตัวของตัวแท้ในขั้นหนึ่งแต่ไม่ได้หมายถึงขั้นสุกยอดหมายถึงขั้นต้นอย่างนี้เสียก่อน อย่างไรก็ขอให้ทําได้อย่างนี้ผู้หรือจะตามด้วยพุทโธก็ตา่างเราจะตามด้วยพุทโธพุทธโธพุทโธ ท, ท, ท, ทั้งระยะเข้าและออกหรือจะตามมาพุทเข้าโทออกก็ได้ขอให้เป็นความถนัดใจเท่านั้น่ะเป็นที่ถูกในหลักความเพียรสําหรับนิสัยของแต่ละหลายอะไรเราไม่ต้องไปคว้านุ่นควานี้และยินท่านว่าท่านภาวนาอย่างนั้นได้ผลผู้นั้นภาวนาอย่างนั้นได้ผลเราก็คว้านุ่นปล่อยนี้อย่างนั้น เรียกว่าเป็นคนหลักลอยทำอะไรจับจดจนไม่ทราบนิสัยของตนว่าจะควรปฏิบัติต่อตอนเองอย่างไรอย่างนี้ทำความเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นผลหลักสำคัญคือให้เป็นคนกินจะทำความเปลี่ยนด้วยทาบทใดหรือพิจารณาบริกรรมด้วยทาบทใดหรือจะพิจารณาทำในแง่ใดอาการในขอจงทาให้จริงจนเห็นผลขึ้นมาพร้อมกับให้ทราบชัดว่า ชดิตของเราถูกกับสิ่งนี้หรือทมหบมทนี้มีลมหายใจเป็นต้นนี่แรกชื่อว่าคนดูเหตุให้เห็นชัดเจนทั้งหลักนิสัยของตนแล้วดำเนินต่อไปทำด้วยความจริงใจในเบื้องต้นต้องมีหลักฐานเช่นนี้ผู้กำหนดพุทโธโดยลำพังก็เอาเดินไปไหนอยากให้เผลอคำว่าพุทโธพุทโธในเมื่อนามากากับใจ ไม่ให้ขาดวักขาดตอนในความรู้สึกระหว่างจิตกับพุโทโธให้ติดต่อกันเป็นสายไปอยู่แล้วคําว่าพุโทโธกับความรู้นั้นจะค่อยกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าเป็นลํำดับลําดับจนกลายเป็นอันว่าคําว่าพุโทโธกับความรู้นั้นเป็นอันเดียวกันมีเราจะบริกรรมหรือไม่ไม่เป็นปัญหาในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนถึงเราจะนึกว่าพุโทโธก็คือความรู้นั่นแหละเป็นพุโทโธ นี่ถ้าจะเทียบอุปมาก็คําว่าพุโทโธนี่เปรียบเหมือนเราตามรอยเท้าของโคเพื่อจะจับตัวโคตัวนั้นให้ได้โคตัวนั้นไปที่ไหนอย่าปล่อยรอยให้ตามรอยโคตัวนั้นไปเป็นลําดับลํำดับไปที่ไหนตามไปเรื่อยๆจนถึงตัวโคเมื่อถึงตัวโคแล้วเรื่องของรอยโคนั้นก็หมดปัญหาเพราะไปถึงตัวโคแล้ว ถ้าจะดูรอยโกก็ดูที่เท้าโขก็สราบต้อรอยที่เหยียบย่าไว้ในที่ต่างๆก็คือออกจากรอยนี้เองหรือออกจากเท้าแห่งโคตัวที่เราจับได้นี่แหละนี่คาว่าพุทธโธก็เป็นร่องรอยที่จะตามรู้คาว่าพุทธะซึ่งเป็นเหมือนกับโคนั้นหากเราไม่ปล่อยตามพุทธโธเข้าไปทุกระยะอยะคัมมาพุทธโธกับจิตก็จะกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วก็จะหมดปัญหาในคำว่าพุทธโธในเวลาเช่นนั้นนี่กิตตั้งได้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขในเวลาเช่นนั้นนี่ผลที่เกิดขึ้นจากการบริกรรมพุทธโธเพื่อเห็นจุดผู้รู้ที่เรียกว่าดวงใจอันแท้จริงผู้กําหนดลมหายใจก็เช่นเดียวกันลมหายใจก็เหมือนกับรอยโคอันเดียวกันเราจะพิจารณาอันใดก็ตามเป็นเรื่องของร่องรอยที่จะเข้าไปหาตัวจริงทั้งนั้น จ, จะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกๆชิ้นเป็นเรื่องจิตที่มาขาดมาหมายมาเหยียบมาย่ํามาอุปทานคิดมั่นถือมั่นไวถือมั่นไว้ทั้งนั้นเมื่อเวลาเราแยกเนีแยขายายออกให้เห็นตามส่วนแห่งอาการนั้นๆให้เห็นตามส่วนแห่งธาตุแห่งขันแล้วจิตของเราก็หายสงสัยแล้วย้อนตัวเข้าไปย้อนตัวเข้าไปจนถึงธรรมชาติของตัวที่แท้จริงคื อ, อยังเข้าสู่ความสงบนี่ เราพิจารณาดูอาการใดก็เ <S <S <piano> <ary> มื่อเห็นชัดแล้วจะไปสงสัยอันไหนเราแล้วก็ต้องเข้าไปหาที่จิตจิตเป็นผู้มาเก่อความลำคาญจิตเป็นผู้มาเก่อความรักความชังจิตเป็นผู้มาก่อความหลงความหึงหวงกับสิ่งเหล่านี้ต่างหากไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นความรักความชังในตัวเองไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นความหึงหวงในตัวเองไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นผู้มีความหมายในตัวเอง แต่เป็นเรื่องของจิตไปให้ความหมายว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังแล้วก็ยึดมั่นตามเรื่องแห่งความหมายที่ตนไปทํากุยหมายป้าทางเอาไว้นี่เป็นการผูกมัด ต, ตนแต่การพิจารณานี้เพื่อจะแก้ไขจุดที่ตนผูกมัดนั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อพิจารณานเห็นชัดในสิ่งใดแล้วจิตย่อมปล่อยไปเป็นระยะระยะระยะหากว่ารู้รอบภาพหมด ในส่วนแห่งร่างกายนี้จิตก็ปล่อยได้โด ย, โดยเด็ดขาดเรียกว่าหมวดอุปทานของกายนี่ก็เข้าไปถึงตัวจิตนั่นอีกว่ากายเหล่านี้ไม่มีความหมายในตนเองแต่เป็นเรื่องของจิตเป็นผู้ให้ความหมายในกายนี้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นบัดนี้ได้รู้แล้วว่ากายเป็นส่วนหนึ่งต่างหากหรือว่าธาตุส่วนธาตุดินนี้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจิตก็เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งนี้ หมดความกังวลกันไปเป็นพักๆนี่การพิจารณาเป็นอย่างนี้ขอให้พิจารณาจริงๆก็แล้วกันอย่าทําเล่นๆทําอะไรให้ทําจริงการพิจารณากายนี้จะพิจารณากายนอกกายในไม่สําคัญเพราะสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกมีได้ทั้งภายในเมื่อเป็นเทนนั้นมัดคือทางดําเนินเพื่อ ก, การแก้ไขปวดเปื้องสิ่งที่ตนไปเที่ยวผูกมัด ก็ย่อมมีได้ทั้งภายนอกภายน์ภายในเช่นเรารักรูปความรักรูปนั้นเป็นสมุทยัยหมายรูปนอกเป็นสําคัญรูปนั้นน่ารักรูปนั้นน่ากำหนัดยินดีแล้วนํารูปนั้นมาพิจารณาคลี่คลายด้วยเห็นชัดตามหลักความจริงของรูปนั้นว่ามีที่สําคัญตรงไหนมัง่งพอที่ให้เกิดความรักความกําหนัดยินดีเมื่อแยกออกทุกอาการแล้วก็เห็นเป็นแต่เพียงศัพท์ว่าธาต หรือเห็นแต่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไปเสียสิน้นหาจุดที่น่ารักน่ากำหนักไม่มีเลยจิด ก, ก็ดถอนความกังวลความรักเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเองเห็นโทษของตัวเองว่าเป็นเพราะตัวเองไปทําความสําคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นต่างหากจึงเกิดความรักความกำหนักยินดีขึ้นมานี่เราก็ได้เห็นโทษของเราด้วยเราก็ได้เห็นโทษในสิ่งที่เราไปสําคัญมั่นหมายว่าน่ารักน่ากำหนักยินดีนั้นด้วยนี่ เป็นอันว่าถอดถอนมาได้เป็นระยะๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดมากปัญญาในขั้นของธาตุขันยังมีนอกจากนั้นปัญญาในขั้นของธาตุคือรูปธรรมนี่เป็นประเภทหนึ่งปัญญาในขั้นของนามธรรมาเป็นอีกขั้นหนึ่งหากว่าจิตของเราตั้งตัวได้ด้วยความสงบเพราะอํานาจของความเพียรพยายามโดยวิธีภาวนาดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้น มีหลักฐานเป็นที่พอจะพยยิจารณาหรือตั้งตนได้แล้วโปรดพยยิจารณาเรื่องปัญญาจะเป็นเรื่องนอกก็ตามจะเป็นเรื่องในก็ตามให้แยกส่วนแบ่งส่วนดูดังที่กล่าวจิตใจให้ทำงานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งวันยิ่งเป็นการดีเมื่อมีความเหนื่อยภายในจิตใจกำหนดจิตให้เข้าพักในความสงบเป็นสมาธิ เยอกเย็นขึ้นมาพอถอยจากความสงบแล้วออกทาหน้าที่การงานของตัวเองเคยพิจารณาอะไรที่ยังไม่ชัดเอาคลี่คลายดูให้ชัดถืออันนั้นแหละเป็นงานของตนพิจารณาจนรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วจิตใจนั้นจับปล่อยตัวเองปล่อยงานประเภทนั้นโดยเราไม่ต้องไปบังคับเพราะรู้รอบครอบแล้วจะถือมันไว้ทาไมนี่เป็นเรื่องของจิตจะปล่อยตัวเองนี่ขั้นของธาตุนี่อธิบายอย่างสรุปสรุป ขั้นของขันนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งขันในขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นส่วนละเอียดมากละเอียดยิ่งกว่าขันแต่ถึงจะละเอียดแค่ไหนก็ตามจะพ้นวิสัยของปัญญาไปไม่ได้ขันทั้งธาตุทั้งธาตุหรือว่ารูปทั้งกองนี้ในส่วนร่างกายของเราปัญญายังสามารถสอดแทรกหรือแทงทะลุถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายได้ เหตุใดจะไม่สามารถรู้เท่าทันในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ควัวมาเวทนาเวทนาทางกายประเภทหนึ่งเวทนาทางใจประเภทหนึ่งเวทนาทางใจนี้เป็นส่วนละเอียดมากโดยมากถ้ากิตได้รับความสงบเยือกเย็นมาเป็นลำดับดบแล้วจะมีแต่สุขเวทนาปรากฏ ข, ขึ้นภายในใจสุขเวทนานี้ก็ต้องในพิจารณา ถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาจะปล่อยทิ้งไหมหรือนอนใจกับสุขเวทนานั้นไม่ได้เช่นผู้ติดสมาธิโดยมากติดสุขเวทนาเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็นแน่วแน่อยู่นั้นเป็นอันเดียวไม่อยากจะออกมาคิดมาอ่านไตรต้องอะไรให้หนักอกหนักใจให้เกิดความลําบากลาคาญเราอยู่อย่างนี้สบายดีทั้งวันก็สบายออกมากระทบกระเทือนดูดเสียงกลิ่นนัดเป็นต้นก็รู้สึกมันเกิดไม่ค่อยสบาย ลำคาญในจิตในใจแล้วย้อนเข้าไปสมาธินั้นเสียส บ, บายดีนี่คือจิตติดสุขเวทนาในสมาธิ <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะถอยออกมาพิจารณาเพราะการถอดถอนกิเลสนี้ไม่ใช่ถอนด้วยสมาธินะสมาธิเป็นแต่เพียงต้นทุนให้ใจได้รับความสงบเป็นชั้นหนึ่งต่างหาก แต่การจะถอดถอนกิเลสนั้นทุกประเภทจะต้องถอดถอนด้วยปัญญาไม่ว่าส่วนหยาบไม่ว่าส่วนกลางส่วนละเอียดจะต้องถอดถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นถ้าเพียงแต่สมาธิหากไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเลยก็จะอยู่แต่เพียงความสงบหาปรากฏว่าได้ถอดกิเลสตัวไหนออกได้ด้วยอานาจของสมาธิจะไม่มีเห็นแต่ความสงบถ้าเราปล่อยไม่บงังหรือมีความประมาทบ้าง ไม่ค่อยจะเข้าสมาธิบ่อยไม่ค่อยทำความเพียรบ่อยจิตที่เคยเป็นสมาธิก็เลยกลายเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญไปอีกเลยเข้าสมาธิไม่ได้นี่เรียกว่าสมาธิเสื่อมฉะนั้นเพื่อให้ความเหมาะสมในเวลาจิตที่เป็นสมาธิก็ให้พักเสียดได้ตามกาลเวลาที่ต้องการเมื่อถอนออกมาแล้วให้พิจารณาตามธาตุขันจะเป็นขันไหนก็ขันใดก็ตาม เวทนาขันก่อพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่ตัวจิตอันนั่งเดิมพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นส่วนที่แฝงขึ้นมาจะเป็นสุขก็แฝงขึ้นมาจะเป็นทุกข์ก็แฝงขึ้นมาเพราะฉะนั้นสุขทุกข์จึงเป็นของที่เกิดระดับได้ไม่เป็นของอีหลังถาวรและไม่เป็นสิ่งที่จะคงที่สัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้มีลักษณะที่ ปรากฏกระเพื่อมขึ้นมาแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันทั้งเกิดและดับนี่เป็นตามธรรมชาติของขันหากว่าจิตจะหลงก็หลงได้ถ้าจิตใช้พิจารณาก็รู้ฐานที่เกิดที่ดับให้ชัดเห็นของเขาได้อย่างชัดเจนไม่ยึดมั่นถือมั่นในกองแห่งรูปในกองแห่งเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเฉยทั้งสัญญาความจาหมายสิ่งใดไว ทั้งสังขารความปรุงว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกทั้งวิญญาณที่รับทราบเป็นแต่เพียงปรากฏขึ้นแล้วดับไปดับไปดับไปนี่คือปัญญาขั้นละเอียดที่จะสามารถให้เห็นต้นเหตุดูให้เห็นรากฐานของอาการทั้งสี่ทั้งห้านี้มันปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรรูปที่ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นกายนี้ก็เนื่องจากหลักใหญ่ที่เรายังไม่สามารถจะค้นทบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี้ก็ ออกมาจากหลักใหญ่เรายังไม่สามารถด้วยปัญญาแต่เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปโดยไม่หยุดยั้งแล้วรูปก็จะเห็นชัดภาพเป็นหนึ่งต่างหากจากกิจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่และอย่างละอย่างไม่ว่าเวทนาประเภทใดไม่นะไม่ว่าสัญญาจะหมายอเรื่องอะไรไม่ว่าสังขารจะปรุงเรื่องอะไรจะเห็นความเกิดของสิ่งเหล่านี้ มาจากจิตอันและเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากจากจิตและเรายังจะได้เห็นตัวจิตที่มีธรรมชาติอันหนึ่งหุ้มห่อไว้อย่างมิดชิดธรรมชาตินั้นเป็นผู้ทาหน้าที่โดยมากในยบททั้งสี่จะเป็นเรื่องของธรรมชาตินี้ทั้งนั้นเป็นตัวเชิดเป็นตัวพาให้คิดให้อ่านให้ปรุงแต่งต่าง นี่ท่านเรียกว่าอาวิชาอันนี้เป็นสิ่งที่สนิทติดกับใจมากจนผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นอันละเอียดแล้วไ ม, ามาลนนไม่สามารถจะทําลายจิตอันนี้ไม่สามารถจะพิจารณาธรรมชาติอันนี้ได้เนื่องจากเข้าใจว่าธรรมชาตินี้แหละเป็นตนตนคือธรรมชาติอันนี้ รูปเบญธนาสัญญาสั้งขามวิต ญ, ญาณทั้งหลายคลาดได้หมดแล้วแต่ธรรมชาตินี้คลากกันไม่ออกเนื่องจากเราเห็นธรรมชาตินี้ว่าเป็นเราในขณะเดียวกันเราก็คือธรรมชาติอันนี้เมื่อเป็นชนิดธรรมชาตินี้จะต้องแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาและแสดงอย่างอาจหันด้วยคือจิตที่เป็นขั้นละเอียดนี้จะมีแต่เรื่องความดีทั้งนั้นแสดงตัวความดีอันนี้แหละที่เรียกว่าอวิชชาอันแท้จริง หลอกทั้งชั่วหลอกท้งส่วนหยาบก็ตามกันทันมาเป็นลำหนังแสดงความละเอียดถ้าปัญญาไม่สามารถก็จะแสดงตัวตลอดเวลาเช่นความผ่องใสก็คือธรรมชาตินี้่หลยแสดงตัวอยู่ความองอาจกระหารก็คือธรรมชาตินี้ความสุขความสบายก็คือธรรมชาตินี้ เพราะเหตุใดเพราะธรรมชาตินี้ยังเป็นตัวสมมุติอยู่สิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของสมมุติทางนั้นถ้าเราได้ทราบหรือได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์ที่ช่องบอกทางมาแล้วอย่างนี้เรามีทางที่จะพิจารณาจุดที่ว่า น, นี้ได้โดยไม่มีความจะตกจะทานโดยไม่มีความหึงหวงในธรรมชาตินี้เลย แต่ถ้าเราไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนั้นน่ากลัวจะติดอยู่เป็นเมิไดา้านานๆหรือติดกันไปเลยถอนกันไม่ออกเนื่องจากมีความรักมีความสงวนมีความชอบมีความพอใจอย่างเต็มที่แล้วก็ยกธรรมชาติอันนี้ขึ้นว่าเป็นตนกดขีจสิ่งทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้หมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือในโลกนี้เราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว แ ท, ท้จริงผู้ที่ว่าตนบริสุดินี่แหละคือตัวอวิชชาอันแท้จริงเมื่อปัญญามีกำลังพอที่จะพิจารณานี้ได้แล้วย้อนเข้าไปดูจุดนี้เท่านั้นจิตที่เป็นจุดอันหนึ่งอยู่จุดแห่งความผ่องใสจุดแห่งความองอาจจุดแห่งความสุขที่อาศัยอยู่นี่จะต้องสลายตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียด ได้ทำลายลงไปในจิตในจุดของจิตนั้นอันนี้จึงมีทางที่จะสลายตัวไปได้มเมื่อธรรมชาติอันนี้สลายตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญาแล้วนั้นคาว่าเราก็ดีสิ่งที่เราเคยสงหรก็ดีสิ่งที่เราเคยรักเคยชอบมานั่นก็ดีสิ่งที่องค์อาจกระหาน อันเป็นจุดเดียวกันนั่นก็ดีจะหมดปัญหาไปทันทีไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่ภายในนั้นถ้าหากจะเทียบบุปมาแล้วจุดอันนี้เช่นเดียวเป็นเช่นเดียวกับบุคคลที่เข้าไปในห้องว่างเมื่อเข้าไปสู่ห้องว่างแล้วผู้นั้นจะลืมตัวของตัวไปเสียแต่จะไปชมว่าห้องนี้ว่างโล่งโง่งเต็มที่ไม่มีสิ่งใด ดูในห้องนี้เลยห้องนี้จึงว่างอย่างเต็มที่นี่แล้วไปชมห้องโดยไม่ทราบว่าตัวคนเดียวนั่นแหละไปทำการจีดขวางในห้องห้องจึงยังไม่ว่างเพราะยังเหลือคนคนหนึ่งไปทำการจีดขวางอยู่นั้นนี่พอย้อนเข้ามาพิจารรู้สึกตัวว่าอ้อห้องนี้ว่างจริงแต่ที่ห้องนี้ยังไม่ว่างเต็มที่ก็เนื่องจากเรามาอยู่ในห้องนี้คนหนึ่ง ถ้าเราถอนตัวของเราออกไปเสียจากห้องนี้แล้วห้องนี้จะว่างอย่างเต็มที่ข้อนี้มีอุปมาชั้นใหนซุกทิ้งทุกอย่างว่างปล่อยวางกันได้หมดแต่ยังเหลือคำว่าเราซึ่งเป็นตัวอวิชชาแท้จริงรุนรวนนั่นแหะอวิชชารุนรวนคือเราตัวนั้นแหละกีดขวางตัวเองอยู่ในแวนั้นไม่ทราบว่าอวิชชานั้นคืออะไรเราจึงเห็นสิ่งทั้งหลายว่าว่าง หรือเราว่าเราวางสิ่งทั้งหลายได้หมดไม่มีจิตในเหลือแต่ธรรมชาติอันนั้นทําการกิดขวางตัวของเราอยู่เราเลยไม่ว่างพอปัญญาได้ยังเข้าไปสู่จุดนี้แลวธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไปนั่นแหละภายนอกก็ว่างภายในใจตัวเองก็ว่าง เช่นเดียวกับบุคคลถอนตัวออกมาจากห้องแล้วห้องนั้นว่างอย่างเต็มที่จิตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านหมดแล้วด้วยมารู้รอบตัวเองปล่อยวางภายในตัวเองนี้ด้วยชื่อว่าจิตที่ว่างอย่างเต็มที่ไม่มีสมมุติอันใดแฝงอยู่ภายในนั้นเลยนี่จัดว่าจิตที่ว่างถ้าหากจิตยังไม่รู้ตัวเองยังไม่ถอดถอนตัวเองตราบใด ถึงจิตจะว่าสิ่งใดว่างหรือปล่อยวางสิ่งใดได้แล้วกว็าตามจิต ก, ก็ยังไม่ว่างในตัวเองจิตยังไม่ปล่อยวางตัวเองอยู่นั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะอวิชชาก็คือจิตผู้นั้นยังจะมีทางสืบต่อไปได้อีกเมื่อทำลายพืชอันสำคัญหรือตัวอวิชชาอันแท้จริง น, นี้ได้ด้วยปัญญาแล้วนั่นแหละชื่อว่าเป็นเป็นผู้ว่างเป็นผู้วางอย่างเต็มภูมิ ไม่มีสมมุติอันใดที่เกี่ยวพันความสงวนก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความองอาจาหารก็ไม่มีความที่จะขยานหวาดกลัวเพื่ออะไรอีกก็ไม่มีเพราะสิ่งทั้งนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นเพราะอาวิชชาซึ่งเป็นรากใหญ่อันพาให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมานั้นได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติตนน้นรวนนี่จุดแห่งการปฏิบัติธรรมะ ถ้าหากเราได้ปฏิบัติอย่างเอาจิงเอาจังตามที่อธิบายมาแล้วนั้นจุดนี้หรือผลสุดท้ายที่อธิบายมานี้จะไม่ใช่เป็นสมบัติของใครจะเป็นสมบัติของท่านผู้ปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเพราะความรู้สึกกันนี้มีอยู่ตลอดเวลาหลับหรือตื่นไม่นิยมแม้แต่หลับสนิทก็ยังทราบว่าหลับสนิทนี่ตนได้ถึงความบริสุทธิ์จะไม่ทราบตนได้อย่างไรต้องทราบ ท่า น, นทุกท่านโปรดได้ทําความพยายามผลพระของเราสร้างพระของเราให้สมบูรณ์เรื่องภายนอกจะขาดตกบกพร่องไปบ้างเอ็นเอียงไปบ้างสมบูรณ์บ้างบกพร่องบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอิ่มบ้างหิวบ้างอย่าไปทําความสําคัญให้มากไปจะเสียหลักใหญ่คือคำมากพระของเราคำมากพระนี่หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่ นั่นหนึ่งหมายถึงเพศของพระทั้งองค์นี้หนึ่งเราพยายามปรับปรุงกายมาจาใจของเราด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมะคำนำสอนของพระโพธิเเจ้าให้กลมกล่อมกับจิตใจของตนให้มีความเจริญด้วยศีลให้มีความเจริญด้วยสมาธิให้มีความเจริญด้วยการสอดส่องมองรู้เหตุการณ์ต่างๆทั้งภายนอกภายในที่เรียกว่าปัญญาอยู่ตลอดเวลานี่ชื่อว่าเป็นผู้สร้างพระขึ้นภายในตน พระผู้นั้นจะไม่บกพร่องทุกสิ่งทุกอย่างจะบกพร่องไม่สำคัญขอจะให้พระต้องเราบกพร่อการสร้างพระนี่สร้างยากมากสร้างวัตถุอะไรๆไม่ยากจะสร้างห้างสร้างหับสร้างหออะไรสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารไม่มีอะไรสำคัญไม่มีอะไรหนักเท่าไม่มีอะไรจะยากเท่าการสร้างพระคือสร้างตัวของเราให้ดีอันนี้สร้างยากมาก แต่สร้างแล้วมาได้แล้วมีคุณค่าเหรือประมาณไม่มีอันไดจะสามารถมาเป็นค่าทดแทนหรือมาเป็นมูลค่าได้เพราะว่าไม่มีประมาณเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาหมดเท่าไรเขาก็ปริมาณได้ถูกต้องหรือเขาบอกได้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นสร้างหมดเท่านั้นบาทเท่านั้นแสนเท่านั้นหมื่นเท่านั้นร้านนี่บอกกันได้ แต่คันสร้างกิจนี้หมดไปเท่าไหร่ไม่ว่าแล้วที่นี้เมื่อเวลาสร้างไปแล้วจะเป็นราคาเท่าไหร่ไม่มีถ้าขายกันในตลาดจึงว่าเป็นของที่ยากท่า น, นทุกๆกท่านโปรดทําความสนใจสร้างพระของตนอย่าไปเห็นแก่สิ่งภายนอกจเจริญแค่ไหนก็จะเจริญเถอะในโลกนี้มันไม่อดไม่ยากใครก็สร้างอยู่ที่ไหนก็สร้างถล่มไปเพราะคนมีชีวิตจิตใจจะไม่มีบ้านมีเรือนมีกุฏิสลาอยู่จะอยู่ที่ไหน ตั้งแต่กระดอกกระแตมันยังมีโพรงมีรังพระเราก็มีแต่ให้มีเท่าที่เห็นว่าจําเป็นกับธาตุขันธ์เท่านั้นอย่าไปทําความกังวลให้มากไปจนลืมมองดูพระของตัวให้สร้างพระนี้ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็สมายอยู่ร่มไม้ชายเขาอยู่ในป่าในโลกอีกอดบ้างอีบบ้างมีความสมายท้งนั้นเพราะพระนี้ได้สมบูรณ์แบบแล้วจงทาความพอใจอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ชอบ ยุ่งกับสิ่งภายนอกแล้วยังไงพระต้องด้อยลงไปเป็นลำดับจนหาพระภายในตัวไม่มีเลยทั้งวันทั้งคืนจะเป็นแต่สัญญาอารมณ์กับเรื่องนั่นเรื่องนี้ยุ่งเหยิงไปหมดไปที่ไหนวุ่นไปหมดสร้างนั้นสร้างนี้เดี่ยวเกี่ยวกับศรัทธาญาณโยมบอกปุญคนนั้นบอกปุ่นคนนี้ติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้เลยเป็นเรื่องนอกไปหมดหาเรื่องในของพระที่จะให้เป็นพระเจริญขึ้นมานี้ไม่มีนี่ผิดกับหลักหลักของพระ ผิดกับหลักของผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นพระของเรามากมายอันนั้นมอบให้คนอื่นมอบให้ญาติโยมให้ศรัทธาแต่เรื่องผิดพระนี่ให้เป็นเรื่องช่างเราเป็นช่างเองได้รับโอวายจากครูบาอาจารย์มาเป็นเครื่องมือแล้วเอาทําหน้าที่ลงไปจะให้คนอื่นทําแทนไม่ได้การสร้างพระต้องต่าององค์ต่างสร้างสร้างต่างคนต่างสร้างตัวเองเป็นแต่ละรับอุบายจากครูจากอาจารย์ หรือหมู่เพื่อนมาเท่านั้นการที่จะทําลงไปนั้นเป็นเรื่องของเร า, าเดินจงกรมก็ให้มีสตินั่งที่ไหนให้มีสติไปไหนมาไหนอย่าลืมคำมาพระของตนมันจะบกพร่องไปที่ไหนบ้างให้พายายามแก้ไขดับแปลงจนเป็นพระที่สมบูรณ์นั่งสมาธิก็เย็นเดินไปไหนก็เย็นพิจารณาเรื่องปัญญาก็ปลอดโปร่งโล่งถงเห็นอัดเห็นทมเห็นความดีความชั่วชัดเจน มีทางออกทางเข้ามีทางปลดเปื่องตนเองมีทางหลบหลีกภัยได้อย่างสบายด้วยอำนาจปัญญาของพระอยู่ที่ไหนก็สบายเย็นไปหมดข้าศึกที่เคยก่อความมุ่นวาให้เราวันยังคําคืนยังลุ่งโดยไม่มีวันหยุดยั้งก็ได้ยุติกันลงด้วยอำนาจแห่งพระของเราได้มีความกล้าหาญชาญชัยรบกับสิ่งทั้งหลายให้รู้เท่าทันปล่อยวางได้ตามเป็นจริงทั้งภายนอกและภายใน เรื่องภายนอกก็ไม่มาเกี่ยวข้องให้เป็นกังวลกับภายในใจเรื่องใจก็ไม่เจาะแสผงหาไม่ฟุ้งเพ้อเหิ่มกับสิ่งภายนอกเพื่อก่อไฟเผาตัวต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงพระก็จริงสําหรับพระอืมของเรานั่นไปที่ไหนสบายเมื่อใจถึงความเป็นพระอันสมบูรณ์แล้วอยู่ที่ไหนก็พอตัวไม่ต้องการอะรทั้งนั้นนี่เรียกว่าความพอตัวอดก็พอตัวอิ่มก็พอตัวอยู่ที่ไหนก็พอตัวสมาอยู่มดทุกแห่งทุกหนนั่นแะ ไม่เลือกสถานที่การบุคคลมีความพอตัวอยู่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่หมดสิ่งที่จะต้องมาเคลือบแฝงนี่ท่านเรียกว่าพระสมบูรณ์แบบแล้วด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเนื่องจากความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่แหละที่ได้อธิบายว่าการลบค่าสุดภายในหมายถึงกิเลสซึ่งเป็นตัวของเราเสียเองเป็นกิเลสและ ผู้รบก็คือตัวของเราเสียเองจะเป็นผู้แก้ตัวเองในความผิดของตนที่มีอยู่แง่ไหนมุมใดพยายามแก้ไขความผิดพลาดของตนเองชื่อว่าเป็นการลบกับความผิดของตัวเองเมื่อรวมแล้วเรียกว่าลบกับกิเลสเมื่อลบให้ถึงจุดหมายปลายทางสิ่งที่เป็นข้าตึกได้สลายยอมแพ้อย่างหนับ่าบแล้เราก็เป็นผู้มีความองอาจกราหานจะเห็นรูป ก, ก็เห็นอย่างเต็มหูเต็มตาฟังได้อย่าง เต็มหูเห็นได้อย่างเต็มตาเสียงปินรถเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสรับทราบได้อย่างเต็มจิตเต็มใจแต่ไม่ติดไม่พันไม่เป็นกังวลไม่มีท่ามีทางว่าจะต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันหรือว่ามีท่ามีทางจะต้องฟุ้งเพ้อเหื่มไ ป, ไปตามสิ่งทั้งหลายนั้นเพราะยะถาภูตังยานัสแสดงเป็นสิ่งที่ได้เห็นแจ้งชัดตายตัวแล้วภายในจิตใจนั่นท่านเรียกว่าสุขะโตอยู่ก็สุขะโต คืออยู่ก็อยู่ดีไปก็ไปดีคิดก็คิดดีอะไรมาสัมผัสกลายเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เป็นโทษแกตัวเองนี่ถ้าเรียกว่าสุขะโตอยู่ก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีหลับและตื่นก็ดีอะไรดีไปหมดถ้าจิตดีเพียงดวงเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรจะเป็นข้าศึกในโลกนี้ที่เป็นข้าศึกที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนก็เนื่องจากใจดวงเดียวนี่แหละเสาะหาเรื่องปอเรื่อง ใช้ตัวเองเสมอเกิดเรื่องกับตัวเองหาที่ตดที่เปืืองหาทนายความมาแก้ช่วยไม่ได้หาผู้ตัดสินหาผู้พิพากษาไม่ได้นอกจากเราจะเป็นผู้พิพากษานอกจากเราจะเป็นผู้พิิจพิจรารณาผู้ความในระหว่างแห่งดีกับชั่วบทเปลืองกันลงได้แล้วเราก็ตัดสินตัวของเราเองได้ที่เรี่อยกว่าสันทิธิโกเห็นเองไม่ต้องให้ผู้อื่นผู้ใดมาเห็นได้มาทํานายทายทักเรา เพราะคำว่าสันติโกนี้พระพุทธเจ้ามอบไว้กับพุทธบริษัททุกๆรูปทุกๆนามผู้ใดมีข้อปฏิบัติสมควรที่จะรู้ตามสันติิกรมก็ย่อมมีสิทธิที่จะรู้ได้ไม่เลือกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสสามารถจะรู้ได้โดยกันฉะนั้นแอวสารแห่งธรรมที่แสดงวันนี้ก็ให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงนำปิพิจารณาแนพยายามผิดคะของตน ให้มีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาภายในตนของตนเองแม้จะไม่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษไปทางไหนก็ตามขอขอให้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษภายในตัวระหว่างสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจอยากให้อาภัพกันเท่านั้นนี่ชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์วิเศษพึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้